ดีที่เราสามารถจับได้แม้กระทั่งเรื่องที่อยู่ลึกๆข้างในใจเขาเอ่อเพราะมันเป็นเรื่องที่ประสบประสบเหมือนกันเป็นเรื่องที่เล่าแล้วเป็นเรื่องที่ประสบการณ์เหมือนกันดีเลยค่ะก็เลยก็เลยต่างคนต่างจับกันได้แล้วก็เออเออแก้ปัญหาได้ด้วยคือคือคือ คือทุกอย่างเป็นอนัตตาเพิ่งพูดกันเสร็จเดี๋ยวนี้ว่ามันมันไม่แน่นอนเลยอะไรมันจะเกิดมันก็เกิดก็เขาฟังเราพอเขาแก้ปัญหาเราปึ๊บนี่มันมันตรงหมดเลยค่ะมันตรงหมดเลยเขาเข้าใจเราหมดเลยแล้วพอเขาเล่ามาเราก็เข้าใจเขาพราว่ามันมันมันมันโซควิธีเดียวกันนะคะแล้วก็เราก็เลยมันสรุปว่า ทุกอย่างเป็นอนาตตาค่ะแล้วมีสิทธไหนที่เป็นอุปสรรคไหมคะในคู่ที่ที่ใ น, นระหว่างที่เราฟังเรื่องราวของเองพื่อนเพรว่าไม่มีเพราะว่าพี่เป็นคนที่มากอะแล้วก็ต่อเขาเีมันแ ม, ม่ตามาเพราะฉะนั้นทําให้เราก็เลยมันรู้จักท่าน น, านันความจริงก็เป็นเพิง่งเจอกันทั้งวันนี่ไม่ได้คุยกันไม่ได้ทักทาย <S <S ใช่ไหมคนมันจับนานกว่าเพราะว่ามันประสบการเหมือนกันเลยสองคนก็ที่เล่าเข้ากันหมดอ่าเลยเข้าใจอกหัวอกกันดีนะคะก็ไม่ไม่มีปัญหาภาษาค่าเอออินเลกับเขาแล้วก็ไม่มีนะคะค่ะใช่ไหมคะโอเคมีอีกไหมคะคนไหนที่คนไหนที่รู้สึกว่าเราสามารถจับไม่ดีมากเลยและปรองแับเชิญค่ะคุณรบค่ะพี่เฉยจับได้ดีมากสำับหมดเลยค่ะ่ต้องถามว่าทําไม จับได้หมดเลยเพราะอะไรเนีเพราะเผอิเรานี่เป็นคนคล้ายๆกันเพราะฉะนั้นเรีแอคชั่นของรจนากับเรีแอคชั่นของพี nice> ่เนี่ยเป็นแอคชั่นเดียวกันเพราะฉะนั้นมันก็เลยจับได้ใช่ไหมฮะแล้วเวลาเขาฟังเรื่องของเราก็ก็จับได้หมดเลยเอพราะว่ามีเซนบางอย่างคล้ายๆกันอ่าเพราะะนั้นมีอื่นอีกไหมคะที่ช่วยทําให้เราสามารถจับได้หมดเออรู้สึกก็เป็นเพราะว่าเออ เราฟังอย่างตั้งใจเราฟังอย่างเข้าใจอ่ะฟังอย่างตั้งใจงฟังอย่างตั้งใจแล้วฟังอย่างเข้าใจคือพยายามไม่ไปคิดว่าทําไมจะเป็นอย่างนั้นนะพยายามฟังว่าที่เขาเอ็กซ์เรย์ออกมาเรื่องมันคืออะไรซึ่งก็ช่วยทําให้เราเราอยู่กับเขาได้มากขึ้นค่ะใช่ค่ะค่ะแล้วมีปัญหาภาษาอะไรไหมคะในการฟัง อ, อไม่มีเลยค่ะจริงๆไม่มีเลยเพราะเขาเป็นคน เขาเป็นคนที่อธิบายอะไรได้อย่างชัดเจนมากเลยแล้วก็เออ่มันมันอ่มันคือนิสัยเข้าเลยอะ่ะนี่การที่เรารู้จักกันว่าเขาเขาเป็นคนยังไงเนี่ยน ะ, ะคาแรคเตอร์เป็นยังไงหรือปรับหนึ่งก็ช่วยรู้แบ็กลาวรู้ที่หนึ่งของเขาถ้าเผื่อไม่รู้จักวันจนาเลยว่าลัจนาเนป็นคนคิดยังไงหรืออะไรเนี่ยนะก็อาจจะไม่ได้จับไม่ได้เท่าที่จับ แล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่เขาก็เราได้ดีด้วยเล่าดีมากอ่าเป็นลำดับหรือว่าทําให้เราจับได้ง่ายขึ้นค่ะเป็นลําดับค่ะโอเคค่ะค่ะขออีกสักคู่หนึ่งค่ะ อ, อ่า่ยสักคู่นึงค่ะมีปัญหาปัญหาอะไรบ้างคะอยากจะบิปัญหาที่แตกต่างออกไปไหยะคะเช่นค่ะอุปสรรคคือคืออย่างนี้ค่ะ เดือคู่กับคุณแม่แล้วก็ไม่เคยคุยกันมาก่อนเลยค่ ะ, ะทีนี้พอพอเริ่มเล่าแล้วเนี่ยมันน่าสนใจมากแล้วแล้วเราก็เลยมีตารางของเราเองคือสรุปอะไรของพี่ซุยไม่ได้เลยคือคือคุณแม่ต้องเล่าต่อไปเรื่อยๆแล้วเราก็ไม่รู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นกับคนอื่นหรือว่างานกลุ่มเพราะว่ามันจะดนก ม, มาก อ๋อเรื่องที่เล่าสนุกมากก็เลยแบบว่าไม่มีการสรุปอะไรทั้งสิ้นคือหนูจะฟังอย่างเดียวอืมก็เลยเป็นอะไรที่แปลกดีทุกถึงรู้ว่าเวลาเรื่องมันน่าสนใจแล้วจริงๆแล้วเนี่ยคือเราไม่อยากทําอะไรอีกเลยอ่ะคือเราจะฟังอ่ะแล้วพี่สู้ให้ทําอะไรเราก็ไม่อยากทําแล้วคือมันไม่ใช่ไม่อยาก่เรื่องตรงนั้นเลยแคือจิตมันไม่เอาอะไรเลยมันจะเอาเดิตรงนี้ก็เลยอันนี้ใจกลายเป็นการศิลภาพแต่ มันก็เป็นประสบการณ์ที่ดีมากค่ะว่าโอ้การเล่าเรื่องที่ดีการฟังที่ดีมันเป็นอย่างนี้จริงๆเอะคือมันไม่อยากทำอย่างอื่นเลยี่เนี่ยมันไม่ได้ยินอะไรข้างนอกหมดเลยใช่ไหมคะมันอยู่กันสองคนจริงๆเลยมันอยู่กันสองคนแล้วพี่พูดอ่ำก็ได้ยินว่าแหววแต่มันไม่รู้หรอกว่าพี่พูดอะไรมันอยากจะรู้แต่ตรงนี้ค่ะอืคือพอถึงตอนจับเรื่องให้อําเล่าอย่าเงี้ย มันก็ฝืนเล่าไปได้หน่อยในยสุดท้ายมันก็กลับไปตรงนี้ไปเนจบแล้วสบายใจแล้วค่ะ <c oughs> คือคือขณะที่ตอนเล่าเรื่องของเรา <c oughs> เราก็ยังวางเรื่องเขาไม่ลงใช่ไหมคะคือเราก็เล่าพยายามเข้นเรื่องของเราออกมาใ่ไมะมันก็ได้ถึงจุดนึงอ่ะมันก็จบแล้วอ่ะสุดท้ายทั้งคู่มันก็กลับไปที่เรื่องแม่เองอืโดยธรรมชาติอย่างเงี้ยค่ะเพราะเราเองเราก็อยากฟังเรื่องตรงนั้นด้วยใช่แล้วเขาเองเหมือนกับตัวเนื้อหาของเรื่องเองมันดูด ดันด hmm. ูคนไปเองอืมอย่างเงี้ยค่ะรู้เรื่องอ่ะมันจืดมากเงี้ยมันจริงชคือเนื้อหาของเรามันจืดมากเงี้ยคือมันจบแล้วทั้งคู่มันก็จบแล้วอะไรเงี้ยแล้วเนื้อหาของแม่ก็ดูดเราทั้งคนกลับเข้าไปเลยอ่าอือค่ะนะคะโอเคค่ะ เ ล, เลยไม่ทันได้เล่าใช่ไหมคะตรงนี้นี่เป็นอุปสรรคด้วยะะ้วยค่ะยิ่งเรารู้จักกันมากตร ง, งนี้มันมีส่วนที่ทำให้เราเหมือนกับเรารู้อะไรเรื่อง้า จริงจริงจริ ง, งคู่ของคุณหญิง อ, อ๋อยวานี้ก็น่าสนใจนะครับคือว่ายิ่งของรุตตะ ก, กันบีเนี่ยโอเคเรื่องเรื่องที่เป็นเหตุการณ์ในดีอาจจะอาจจะอาจจะ สูดได้ง่ายแต่แต่ยิ่งคุ้นเคยอะครับยิ่งมันมักจะมีข้อสุปบางอย่างว่าเขาต้องคิดอย่างนี้แน่คือเหมือนกับเราจะตกร่องสิ่งที่สิ่งที่เพื่อนเป็นเนี่ยนะครับเขาอ้าบอ้าปากันสามสี่คำเนี่ยแล้วมักจะคิดว่าเขาจะต้องคุดนี้แน่ๆเลยเขาต้องคิดนี้แน่ๆ ม, มันเเกิดการเลือตัวสุบเร็วมากพความคุ้นเคยครับความคุ้นเคยที่ไม่รู้ตัวนี้มันจะทําห้เราสูบปบางอย่เร็วบางอย่างบางวันเขาเขาเปลี่ยนความคิดไปนิดนึงไงเราจะมองไม่เห็นแหละครับ เขาเห็นแตว่าเขาพุ่งในครึ่งทางเราจะสุดทันทีว่านี่เหมือนกับที่ผ่านมานะครับ้อสุดท้ายค่ะนี่นะคะอ่าพี่นุดคิดว่าคิดว่าถ้าอย่างนี้หรือพี่นุึกยังไงคะอ่ามีใครตอบคำถามนี้เรื่องมั้งคะ โดยเฉพาะคนที่คุณเคยแลวตกร่วมันบ่อยๆคุนแม่ครับมีใครมีคำตอบที่ดีไหมครับเด็กตัวเองย <ใน S 2> ังไงคะคเพื่อทำอะไรต่อครับอันหนึ่งที่สำคัญคือการเรามักจะมีภาพภาพของเขาอย่างลุ่มลุ่มานะซึ่งสรุปจากอดีนะครับเข้าไปข้างหน้าตลอด เอาจากอดีตสิ่งที่เราเชื่อเนี่ยําได้หมายรู้เนี่ยเอาปอีพ้างหน้าเนี่ยเอาไปพ้างหน้ามนทำใหเราไม่อยู่กับปัจจุบันขนาดสิ่งที่ก็กำลังพูดเนี่ยมันไม่ความไม่มีความสดไม่มีความใหม่มันจะเป็นมันจะเป็นสิ่งที่ซ้ํากซึ่งสิ่งซ้ำซากเนี่มันมันถูกสร้างมาจากความจำอะไรบางอย่างเราแล้วก็ฝังรอกเรื่องนี้ไปนานจริงเพาะงั้งนสิ่งที่เราฝังอยู่โมเมตนต์ในขณะนั้นเนี่ยมันไม่มีความสดนะครับสิ่งที่เราถือว่า ลองดีสักคู่หนึ่งก่อนนะครับซึ่งอาจจะถูกนะครับอดีตที่เราทําได้อาจจะถูกนะครับอาจจะตรงกับจริงที่เรากาลังพูดกำลังจะพูดมีส่วนจริงแต่ว่ามันทิงมีความสดเลยเลยอยู่ถ้าเกิดว่าเราไม่ทิ้งภาพในอดีตบางอย่างลงบ้าง น, นะครับเรืออยู่กับตรงที่ก็กำลังพูดทียรคำเทียรคำเนี่ยอันนี้ช่วยได้มากก็คือสติครับ มีอะไรเสริมไหครับ สมมติสมมุติผมเป็นแปลงกสุยนะครับเราก็จะเป็นของเราจะเป็นยังให้แกๆแล้วแฟนอยเรื่อยๆไนงะบางครั้งนะครับต้องตกลงกันว่านี่ถ้าเกิดต่อไปถ้าซุยพูดเนี่ยสิ่งที่ผมต้องชอบกับเขาคือเขาจะยังไม่พูดอะไรส่วนออกมาภายในสามวินาทีก่อนที่เขาจะพูดจบบางทีเราตกลงกันขนาดนี้นะฮะยิ่งจะเป็นสามีภรยากันเนี่ยเร็วมากได้ไหมทั้งหมดก่อนเนี่ยสาวินาที นะครับพอเขาุดปุ๊บปจบเลยใช่ไหมอันที่สองนะครับถ้าถ้าจะฝืนจริงผมจะต้องร ok ah. ีเฟกเขาว่าอทวนว่าสั้นทวนสั้นว่าซุยพูดนี้ใช่ไหมครับตรงไหมครับที่เราพูดนะครับนี่จะช่วยได้มากเลยครับนี่เป็นการฝึกแบบอการสื่อสารในสันติบัติเหมือนนะครับทวนทวงเขาว่านว เ, นเนี่ยซุ้ซุยพูดเรื่องนี้อยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับสิ่งที่คุณต้องการอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับ ที่คุณลังสุดๆอยู่ใช่ไหมครับเพอเขาพูดมาครึ่งหนึ่งแล้วมันจะแบบเนี่ยอย่างนี้แหละอย่างเงี้ยนอนเนี้ยมันจะช่วยได้คือความช้าลงนะครับแล้วก็วนกลับนะครับแรกๆอาจจะเหมือนกับเสียเวลายุ่งแต่มันทำให้เปลี่ยนความค้นเคยใหม่ครับนวนจะช่วยได้คมันลดการประสิทธิ์ลงไปได้เยอะมากครับซึ่งนักข้อถามอย่างนี้กลับมาเนี่ยถ้าเราโน้ตสุขก็ไม่ใช่เลยจะได้บอกเขาไงว่ามันไม่ใช่นะที่จริงมันคืออย่างนี้ มันจะได้เขาก็เลยเข้าใจตรงกันอย่งนี้นมันก็จะหงียบหยิบ ก, ก็ไม่ได้พูดค่ะแล้วยิ่งตอนนึกภาพตอนที่เราไปดูแลคนป่วยเช่นเขาจะมีอาการแบบวางยาเราเยอะครับอย่างเช่น เ, เรียกร้องความสนใจทําอย่างนี้นตอนแล้ว เ, เ, เ, เ, เ, เ, เราผููพูดดูแลจะเหนื่อยมากเนี่ยเราจะฟังได้ไม่ไม่ถ่อยครับเราจะออกอาการคือเหนื่อยมากครับคนดูแลจะเหนื่อยมากแล้วทนแบบอารมณ์ของเขาจะยากมากเนี่ยการฟังอย่างอดทนหรืออย่างใส่ไจเนี่จะ ที่ข้นึ่งสำคัญมากในการเข้าถึงผู้ป่วยนะครับการวเสริมนะครับอ๋อเมื่อกี้จะเสริมที่ที่เล็กว่าการอดีตของผู้ผู้เนี่ยเจะตัดสินล่วงหน้าบางทีมันไม่ใช่เป็นอดีตของผู้พูดเดียวแต่เป็นอดีตของผู้ฟังด้วยเช่นผู้ฟังเนี่ยเป็นครูเป็นพ่อเป็นแม่แล้วก็ผู้พูดเนี่ยเป็นเป็นลูกเป็นน้องหรือเป็นนักเรียนเนี่ย เราก็อจะบอกว่า เ, เราเคยผ่านมันแล้วเราเคยผ่านมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเราก็พูดไม่ได้ขึ้นเนี่ยเรก็สรุปไปแล้วคือ เ, าเอาอันของเราประสบการณ์เรานี่มามาสวมใส่เขาก็ใช่ทุกท่านแม้เราเนี่ไม่สามารถที่ฟังอย่างตั้งใจได้ในในโดยเฉพาะคู่คู่ที่เศษกันมากๆนะครับถ้าเกิดไม่ไม่ชาลงนะครับมันจะมีความเปลี่ยนแปลงได้ยากมากเลยครับซึ่งในแต่ละขณะของชีพมันจะมีความเปลี่ยนแปลง เล็ ก, เกน้อยที่เกิดขึ้นซึ่งสิ่งนี้ต้องอาศัยความละเอียดมากที่จะเห็นความเปลี่ยนแปลงของเขาและเขาจเจนความเปลี่ยนแปลงของเรานะครับตงนี้อันนี้อันนี้สำคัญมากค อื่นอีกไหคะสุดท้ายจริงๆค่ะโอเคถ้าไม่มีเนี่ยจะขอไปพี่เมื่อกี้หลายคนบอกว่าลรื่อง้องตานะคะตั้งใจอย่างนี้ค่ะว่าถ้าเราต้องตาแล้วเนี่ยก่อนเราจะเริ่มคุยกันถึงเรื่องราวของเราเนี่ยจะทำให้เราสามารถที่จะสร้างความคุ้นเคยกับโค่ของเราได้ได้มากขึ้นมา น, นะคะซึ่งปกติแล้วหรือถ้ามาคุยเลยบางทีอย่างที่พี่อมบอกว่า ไม่เคยรู้จักกันเลยอะ่ะแล้วก็มาพูดกันบางทีมันก็มีนิดนึงอะไรเงี้ยที่อยกจะกักกักอันนี้ความตั้งใจคือแบบนี้นะคะแ ต, แต่อดีตไม่แน่ใจว่าพวกเราเอ่อมันงานไปแล้วมันมันทำให้รู้สึกอัดอัดน่าอ่า อกิจ<ต>กรรมนี้มันมันไม่ใช่เพียงแค่ความคุ้นเคยนะมันให้เราเรียนรู้ที่จะอยูอ่กับความอุดตับ <c oughs> คือพอเราอุดตับขึ้นมาเนี่ยเราจะเราจะไม่ได้อยู่กับสายตาของอีกฝ่ายนึงแล้วแต่เราจะจมลงไปอยู่ในรอย ไปใส่ใจกัหรือว่าเราจะถูกมันครอบแทนในความอุดอัดนี้เฮยเห็นแล้วเนี่ยเห็นความอุดอัดแล้วเนี่ยเราจะวางได้ยังไงตรงเนี้ยเป็นเรื่องที่สำคัญเหมือนกันในการปฏิสัมพันธ์กับอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งประเด็นประเด็นนี้ก็หลับเจอคนไข้ก็จะเป็นสำคัญมากเลยค่ะเพราะว่าอครั้งเขาจะพูตรงๆแต่สายตาเนี่ยมันจะบอกนะคะถ้าเราไม่สามารถที่จะ อ, อ, อยู่กับ สายตาเขาแล้วเข้าใจเขาได้เนี่ยบางทีเราก็เราเราใช้คําพูดมันดังกัดมากอะคะ่ะบางทีเราคิด่าคำพูดว่าเป็นทางออกของทุกอย่างที่เราจะเข้าใจคนคนหนึ่งแต่ถ้าเขาพูดพูดออกมาเราทําอะไรไม่ได้เลยเหรอใช่ไหมคะจีสายตาท่าทางเอาใจน้าภาษาทั้งหมดนะคะบางทีมันทําให้เรารู้ว่าสิ่งที่อยู่เรื่องเลือดจริงๆเขาต้องการอะไรแล้วว่าเขาไม่ได้พูดออกมานะคะไอ้นี่ยค่ะที่บางทีแล้วเรามองข้ามไปว่าเราเราบางทีเราใช้ ใช้ปุใช้ปากใช้คําพูดจนคุ้นเคยและฉันอันนี้เป็นวิธีดีในการแสดงออกซึ่งความรู้สึกหรือความต้องการของเราแต่ถ้าเรากลับดูจริงๆเนี่ยเราจะพบว่ามันมีรายละเอียดนะคะไม่ว่าจะเป็นท่าทีสายตาวิธีเมย์ของเขาการพยรักหน้าบาง ท, ทีก็ทำให้ฉันรู้เขาตั้งใจจะฟังเรานะอะไรอย่างเนี้คะ่ะที่มันเป็นส่วนที่มีกอบที่ทํำให้การฟังของเราเนี่ยมันไม่ได้ฟังด้วยแค่หูแต่มันฟังด้วยใจด้วย ซึ่งตอนเนี้ค่ะถ้าเราสามารถที่จะอยู่กับมันได้ระดับหนึ่งนะคะแล้วคุ้นเคยกับมันแล้วก็พร้อมที่จะให้ให้สิ่งเหล่านี้มันสื่อสารกับเราเนี่ยเราก็จะฟังกาได้ใจได้นะค่ะแล้วเป็นหลายคนที่ไม่ได้เรียนไม่ได้เีนทักษะอะไรทั้นี้เลยแต่เขาไปยิ้มยิ้ใครแล้วก็รู้สึกคนนีิ่งมากเลยเข้ามาปุ๊บเนี่ยเราสามารถที่จะรู้สึกอะไรบอกเขาได้หมดเลยมันมาจากตรงนี้ค่ะบางทีเขามีเซนแบบนี้อยู่เซนของการที่เขาเปิดจริงๆ เปิดรับหนังของคนนี้แล้วเขาสื่อกันเต้ม่ากแค่คำพูดกี่คำเต๊ะเดียวออกหมดเลย อ, อันนี้ค่ะที่มันเป็นความพิเศษของของของคนที่จะทำงานตรงนี้ด้วยที่ว่าเราต้องสร้างทักษะที่มันมันไม่ใช่แค่ปากอย่างเดียวต้องทำได้ตั้งสำนที่จะรับรู้เงได้อย่างที่เขาเป็นทั้งหมดเลยอันนี้จะจะสำคัญมากมา ไม่ เ, เลยเชนเพราะว่าเพราะว่าเมื่อกีสนุกกับคุณโมนิก้าค่ะคือจริงๆก็คือพบภาวะของความอึดอาดตอนแรกก็ขำก่อนนะคะแต่เขาไม่ขำ้วยนะเออแต่เราที่ขำแล้วก็พอยิ่งหันไปเห็นที่สีกับท่านสู๋ก็โอ้โห <c oughs> หัวเรากกันชิคกั๊กเราก็ตาเราก็มองไปทางนั้นเขินแล้วก็ขำแต่พอแกเอาจินเอาจังมากเลยนะจ้องตาเ า, าตาแป๋วเลยเราก็เริ่ม มีความอึดอาดด้วยการแผ่ในตาให้แกแ่คิดเป็นกเป็นสุกเล็ตรงศุกเป็นกเถิดเพาไม่คือมันอึดอันอก็เลยต้องหนีค่ะว่าต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อที่จะไม่ได้อยู่กับดวงตานั้นตลอดเวลาคือมองตาเขาได้เนี่ยแต่โดยส่งให้เขาตลอดเขาก็ส่งให้เราเหมือนกันแล้วก็สารภาพ <c oughs> ท่านจานนีิค่ะ <c oughs> คือไอ ไม่ไม่ได้คุ้นเคยกับ exercise นี้ในแง่ของของฝึกที่จะรับฟังอันนี้แต่ว่าแต่ก่อนตอนที่เรียนหนังสือคุ้นเคยกับ exercise นี้ในการฝึกฝนด้านการแสดงอันนี้เป็น exercise ที่แสดงไม่ใช้กันหรือว่าเพื่อที่จะเพราะว่าในประการชีวิตจริงเนี่ยบางทีเราจะค้นพบว่าเราไม่เคยได้มองหน้ากันอย่างนี้เลยโดยเราเหมือนเรารู้จักอย่างเงี้ยอย่าอันเนี้ที่ค้นพบเมื่อกี้นี้ก็คุยกับยังุทธศีสิว่า นี่เราไม่เคยมองภาสีขนาดนี้เลยแล้วไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นกันแบบเนี้ยทั้งๆที่เรารู้จักกันมานานส่วนคนเก็รู้ว่าคนนี้หน้าตาเป็นแบบนี้อย่างเนี้ยแต่เราไม่เคยดูกันอย่างนี้จริงๆแล้วก็ได้เห็นบางอย่างซึ่งอ่าอย่างเช่นมังอันแบางรา ย, ายละเอียดซึ่งเราไม่เคยรู้มาก่อนแล้วก็บางทีจากการดูบางทีเราก็ได้รู้จักอย่างเช่นเมื่อกี้ก็ทักไปว่ามีความรู้สึกว่าภาษีเป็นคนดุมากเลยเป็น ค, คนที่มีความเฉียบขาดอะไรอย่างเนี้ย พึ่ดจาขนาดที่ดูซึ่งอันนี้เนี่ยก็เมื่อก่อนไม่ไม่เคยได้ได้รู้สึกอันนี้มาก่อนอันนี้เป็นอันนึงที่ถ้าในแนง่ที่สมัยก่อนที่ประสบการณ์ที่ ผ, ผลกระทบด้านกระแสษก็คือพื้นที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องออกับคนมากขึ้นแล้วก็อีกอันนึงคือเรื่องของการสื่อสารปฏิกิยาคือระหว่างที่เราจ้องอยู่เนี่ยถ้าฝ่ายหนึ่งอัดเนี่ยอีกฝ่ายนึงก็จะรับรู้เหมือนกันแล้วมันก็จะมีการปฏิกิยาโต้อตอบตอบกันอยู่ต<ม>ลอดเวลา โดยที่อาจจะไม่รู้ตัวท่านี้ก็เป็นการที่ที่เหมือนกันเดินพื้นค่ะพิงประเด็นท่านจื้นจะโยงกับไปถึงจริงที่บางทีเดี๋ยนี่ยกับคนที่เราคุ้นเคยมากๆคนในครอบครัวเนี่ยมันักจะมีบางเรื่องที่มีหลักทําให้เราไม่กล้าทำอยากจะพูดดีกับเขาอยากจะบอกรักอยากจะทำอะไรมันเขินอันนี้คุ้นเขินมันคล้ายๆกันนะค่ะเราไม่เคยกอดกันมาก่อนเลยกับพ่อแม่มันจะทํามันยากมาก จะพูดดีๆกับเขาจะพูดสิ่งที่เขาทำดีกับเรามันจะปากยากมากทำไมไปพูดกับคนอื่นเรื่องของออพูดได้สบายมากมันคล้ายกันนะคะตรง น, นี้ครับ<อ>พระอาจารย์มีอะไรจะเสริมอะไรไห ม, มคะก็จะากจะสุดท้ายคืนนี้เรื่องการฟังรู้สึกนะครับว่าถ้าฟังดีเนี่ยสิ่งที่ได้ก็คือหัวใจของเขาเอ่ะครับในเรื่องของความรู้สึกความคิดความต้องการเนี่ยเราจะได้ทันที แม้แต่รับฟูงถึงความปมที่ท่านจี ว, ว่ามันจะมีปมที่ซ่อนเงื่อนลึกอยู่ซึ่งเราจะเริ่มสังเกตหรือเห็นได้ผ่านการรับฟงังลึกซึ้งนะครับเ อ, อมิน้นสันติวิธีนะครับหรือนักข่าวข่าวกากแย้งคนหนึ่งก็พูดว่าไอ้ที่เราเข้าใจว่าการฟังเพราะว่าการฟังมันง่ายนะครับจึงทําให้รับฟังเนี่ยทยําได้ยาก พ อ, พอเราคิดเสมออยู่เรื่อยว่าการเราฟังเนี่ยมง่ายไม่ต้องมาฝึกหรอครับฟังมันไม่ได้แต่ยากพราคิดเนียจึทงทำให้การฟังโดยแท้จริงจรินเป็นยากแล้วเขาบอกว่าความแรงนานาชนิดหรือว่าความขัดแย้งนา น, นาชนิดที่แก้ไขาได้ยากเพราะว่าการรับการกรับฟังเลื่กงมันล้มลเหลวทีนั้นความขัดแย้งเนี่ยทายได้ ย, กยากมากผู้คนเรือ่องเรือประมาทตา่อการรับฟัง ก็ล่วงเลยเวลามาพอสมควรต้องขออภัยค่ะที่เกินเวลามาครึ่งชั่วโมงนะคะก็คงจะจบคืนนี้แค่นี้ก่อนนะคะคือก็พรุ่งนี้หกโมงครึ่งนะคะเรามาเ อ, อเจอกันที่นี่นะคะก็จะนั่งปฏิบัติสมาธิภาวนาร่วมกันแล้วก็จะมีธรรมเทศนาจากอาจารย์ด้วยนะคะก็ขอเรากลับพระสวดมนมนิดนึงดีไคะ